รับฟังที่กระอกค่ะดิฉันสรนสนีนาคงนะคะรายการนี้สรนสนีสนทนาพระภิกษุรูปแรกพระมาชาคาวโรพระภิกษุรูปที่สองที่กําลังจะได้พบต่อไปก็คือพระเพรบุญอภิปุญโญและจะว่ากันไปแล้วนะคะบางครั้งเราก็มีพระภิกษุรูปที่3ามก็คืออย่างหลวงพ่อดออรสะอาดท่านเจ้าวาดวัดปาดอนหายโศกที่มาให้กําลังใจท่านไพรบุ์อยู่ข้างหลัง และในขณนะดเดียวกันเราก็ยังมีพระอาจารย์คึกฤทิ์นะคะที่ได้มอบหนังสือมาให้กับพวกเราได้อ่านกันตอนนี้ไปพบกับพระภิกษุรูปที่สองที่ได้กล่าวไปนะคะพระพิบูลพี่ปุณโญค่ะในมัศการกันใ่ไหมคะเป็นพรค่ะวันนี้พุทธเชนตีก่อนเลยค่ะที่ยกย่องความเป็นพรุทธเจ้าที่เราเมื่อวานเราได้พูดถึงว่าพระพุทธชจ้าเนี่ยแม่สามารถฝึกบุรุษที่สมควฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าใช่ไหมค่ะแล้วก็ไอการฝึกตรงนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่ นะ <Okay. S 1> ซึ่งคําว่าฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าเนี่ยไอ้คำที่ว่าฝึกบุรุษที่คุณฝึกได้เนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรที่เราคุยกันถึงเมื่อวานก็คือพูดถึงเรื่องสัทธาฮิริอัตบะวิริยปัญญาใช่ไหมในยั <Yeah. S 1> นยหนึ่งที่พระเจ้าพูดไว้นะบอกว่าอย่างนี้บอกว่าจงมาเถิดนะใครก็ตามนะที่เป็นวินยุชนนะฟังให้ดีเป็นวินยุชนไม่โอ้อวดไม่มีมารยามีสัญชาติคนตรงนะสี่อย่าง เป็นวินยูชนไม่โอวดไม่มีมัญยามีสัญชาติแห่งคนตรงเมื่อเราพร่ำสอนอยู่สแสดงทําอยู่เธอปฏิบัติอยู่อย่างที่เราสอนก็จะทําให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งการปฏิบัติได้โดยเวลาเพียง7จ็ดปีเดี๋ยวก่อน7ปียกไว้ก็ได้ถ้าเธอทําอยู่อย่างที่เราสอนเป็นวินยูชนไม่โอ้อวดไม่มีมัญยามีสัญชาติแห่งคนตรงนะจะได้ปฏิบัติถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติได้ภายใน6ปีเดี๋ยวดปียกไว้ก่อนก็ได้ สปี3ปีไล่ลงมานะถ้ามีคุณสมบัติอย่างนี้จนกระทั่งเหลือแค่เจเดือนถ้าเคอมีคุณสมบัติแค่ว่าเป็นสัญชาตคนตรงไม่มีมารยาไม่โอ้อวดเป็นวินยูชนทำอย่างที่เราสอนนะอย่าว่าแต่เเดือนเลย7วันก็ได้เอาว่าอย่างนั้นจะทำให้บรรลุถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติได้ไล่ลงมาคุณโยมติวจนกระทั่งถึงว่าวันนี้ สมมุติเจเดือนใช่ไหมกึ่งเดือนก็ยังได้วันนี้บอกวันนี้พรุ่งนี้บรรลุหรือบอกวันนี้เดี๋ยวอีกเดี๋ยวหนึ่งบรรลุก็มีไงคะนะงั้นเขาฟังจับประเด็นได้ก็คือว่าบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสี่ประการวินยูชนไม่อ้อวดไม่มีมารยามีสัญชาติแห่งคนตรงถ้าทําตามคําสอนของพระาศาสดาจะบรรลุถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติได้ถ้าเป็นระยะเวลายาวที่สุดดูเหมือนท่านภพยูลพูด ระยะเาแรกคือเจ็ดปีปไม่เกินเจ็ดปีไม่เกินเจ็ดปีนี่คือพุทธวัฒนานนะค่ะถ้ามันจะหลุดออกไปไกลกว่าเจ็ดปีนี่หมายความว่าอะไรก็แสดงว่าคุณหมายความว่าไม่ได้อยู่ในอาจจะแบบก็เรียกว่าอ้อมบ้างเดินไม่ตรงบ้างอย่างเงี้ยนะคือไม่ได้มีสัญชาติาคนตรงไปเป๊ะก็อาจจะมี <laughs> ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะคะ ฝากไฟมาตั้งแต่วัยยาวอาอย่างดิฉันเองเนี่ยฝากไฟมาตั้งแต่วัยยาว อ, อ, อตอนนี้ก็เกิน7จ็ขวบไปนานแล้วคะ่ะก็ตนไปได้นะคะคืออย่างนี้เราต้องวัดตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มมีก็เรียกว่าอะไรวุฒิภาวะพอที่จะเข้าใจอะไรได้ใช่ไหมคือมีสัญชาติคนตรงจ ร, งจ ร, งจรงิงๆอย่างอาจจะก็พระพุทธเจ้าขอวัดที่อายุ20ปีใช่ไหมหรือว่าตั้งแต่อายุ7ขวบขึ้นไปค่ะดิฉันว่าถ้าอย่างนั้นเรามา อลงในรายละเอียดจันเลยดมค่ะอันนี้ถือว่าเป็นส่วนของอสแสดงให้เห็นคุณสมบัติพระพุทธเจ้าอืมว่าท่านทรงมีความมั่นใจมากว่าคำํำสอนของท่านนั้นเนี่ยถ้าได้คนที่มีคุณสมบัติเป็นผู้เรียนแบบที่ท่านบอกสี่ประการแล้วไม่เกินเจ็ดปีทําตามที่ท่านสอนแล้วมไม่เกินเจ็ดปีเอาละค่ะเราก็เคารพธรรมของท่านถวายเป็นพุทธบูชาเดี๋ยวเราจะมาทําตามธรรมของท่านเราก็จึงมาทําความเข้าใจกันให้ละเอียดมากขึ้นดังต<อ>่อไปนี้ค่ะ ดิฉันจะกราบเรียนถามแล้วว่าวินยูชนหมายความว่าอะไรวินยูชนหมายถึงคนดีคนดีเนี่ยมีปกติพูดดีคนดีเนี่ยมีปกติคิดดีคนดีเนี่ยมีปกติทําความดีนี้เป็นเครื่องหมายเครื่องอ้างอิงของคนดีถ้าคนดีไม่ได้มีปกติคิดดีพูดดีทําดีบัณฑิตจะรู้หรือว่าคู้นี้เป็นคนดีนี่เป็นปรัชนานะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นควกที่คิดดีอยู่เรื่อยๆทําดีอยู่เรื่อยๆพูดดีอยู่เรื่อยๆแสดงว่าคุณเป็นคนดีนะคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุ ค่ะไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อเป็นวินยูคุณก็เป็นวินยูชนได้เพราะบางคนชื่อวินยูนะ <c oughs> คุณจะเป็นวินยูชนหรือเปล่าอันนี้ต้องพูดดีคิดดีทาดีใช่มีเครื่องหมายเครื่องอ้างอิงของคนดีอยู่สอย่างค่ะไม่โอ้อวดนี่แค่ไหนะคะโอ้ยฉันมีแหวนเพชรไม่โออวดนี่คือเป็นงี้มีพุทธวิชนะทีะ่พูดถึงคนที่ไม่โออวดอยู่ที่ว่าเป็นผู้ที่ไม่ไม่พูดถึงความดีของตัวเอง แม้คนอื่นจะถามก็ไม่พูดเข้าใจไหมความดีของตัวเองเนี่ยแม้ผู้อื่นถามเนี่ยก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏแต่ถ้าถูกถามจังหน้าขนาดที่ว่าไม่ตอบไม่ได้เนี่ยก็พูดนิดเดียวนี่คือผู้ที่ไม่อวดพูดถึงความดีตัวเองนิดเดียวนะถึงถูกถามจังหน้าเลยนะขนาดที่ว่าเลี่ยงไม่เลี่ยงเลี่ยงตอบไม่ได้แล้วเนี่ยพูดนิดเดียวถ้าถูกถามไม่พูดไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าไม่ถูกถามค่ะ ถ้าสมัยใหม่เขต้องบอกว่าพูดนิสยังไงนะคือเป็นผะหูพูดให้น้อยมากๆประธานโทษเลคะที่จะพยายามให้ละครนี้มันทัสมัยคนสมัยใหม่พูดอย่างนี้นจริงๆค่ะนิเซียวค่ะ น, นะคะก็แปลว่าอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการไม่ยกตนอม่โ อ, โอ้อวดเนี่ยแปลว่าแล้วก็ยังเป็นผู้ที่มีอีกนัยยะหนึ่งที่พูดถึงความเป็นผู้ไม่โอ้อวดเนี่ยคือเป็นผู้ที่สงบสงี่ยมอยู่ได้ นะแม้มีสิ่งอะไรที่มากระทบกระทั่งนะก็คือ อ, อยังสงบสงเสงี่ยมอยู่ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่โอวดเหมือนกันค่ะมแม้มีสิ่งใดมากระทบกระทั่งนะคะทีนี้ประการที่สามค่ะไม่มีมารยาทรงให้คําอธิบายไว้อย่างไรคะออไม่มีมารยาเนี่ยคือผู้ที่มีความสะอาดนะคือพูดกับบุคคลหนึ่งก็อย่างนี้พูดกับสองบุคคลก็อย่างนี้พูดกับสามบุคคลก็อย่างนี้ คือจะรู้ได้ด้วยการพูดจาคนจะสะอาดหรือไม่สะอาดคนมีมัญญาหรือไม่มีมรรญานะมัญญาในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงคนที่ไม่มีฮิดเดนอนเจนด้าด้วยนะฮิดเดนอนเจนดาอย่างสมมติเวลาอย่างประสงค์อย่างเงี้ยขอครูบาอาจารย์ไปไปเที่ยวภาวนาที่โน่นที่นี่อ่ะอากจะมีฮิดเดนอนเจนด้าไปเยี่ยมญาติไปไปอะไรต่างๆอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันไม่ถูกพูดไม่ตรงท่านคะดิฉันเนี่ยนึกอยู่เสมอเลยบางครั้งเนี่ยคนเราก็ชอบยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวอสมมุติว่า บอกว่าการจะปฏิบัติมีทั้งในส่วนของการเดินจงกร ม, ม, มและการนั่งสมาธิสมมติเอาแค่นี้ก่อนนะค ะ, นนะคนที่คิดว่าถ้าเดินจงกรมไม่ได้ประโยชน์สูงสุดเดินลดความอ้วนมันไปด้วยเลย อ, อย่างนี้ถือว่าเป็นฮิปเด้นไหมคะท่านค ะ, ะก็ถ้าเป็นไปเพื่อกุศลธรรมก็จะเรียกเป็นผู้มีความเพียรนะ ถ้าเป็นไปเพื่อความยึดถือนี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีมรรญานะเพราะว่าดิฉันคิดอย่างนี้ค่ะคือเหมือนกับว่าพอเราเรียนรู้จากพุทธเจ้าใช่ไหมคะว่าหลังฉันเนี่ยให้เดินสลับนั่งใก็มาคิดจินตนาการตามแบบมนุษย์นะว่าอ้อสรงคิดเพื่อสุขภาพการรับประทานอาหารเสร็จแล้วได้เดินสักหน่อยนี่มันสบายอาการย่อยมันก็จะดีขึ้นเป็นผลต่อการขับถ่ายด้วยอะไรด้วยแต่ถ้าคนสมัยใหม่เนี่ยเขาจะเชื่อว่า การเดินจะทำให้พุงยุบอย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงเวลามีไม่มากก็หมายรวมไปกับการปฏิบัติธรรมซะเลยมไม่เป็นไรนะคะถ้าเจตนาบริสุทธิ์อันนี้ก็ยังจะมียิตยึเชินได้อยู่บ้างเพราะว่ายังมีความคาดหวังว่ า, ากายของเราต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้นน ะ, ะยังมีความยึด ต, ติดในกายอยู่บ้างค่ะแต่ยึดติดในกายก็ยังดีกว่ายึดติดในจิตแหละนะคะแต่ถ้าทําให้ได้จริงๆก็เดินเพื่อเดิน เดินจงกรมเพื่อเดินจงกรมใช่ใช่ทกต้องะะแล้วผลไม่จะเกิดเองอย่างอื่นก็นแล้วแต่เป็นของแถมไปอันนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่มีมารยา<ช>เน้นไปที่การพูดนะคะแล้วค่ะก็เท่ากับ ว, ว่ามีความสะอาดในการพูดจานะคะแล้วก็ต้องยกตัวอย่างว่าไม่มีฮิดเด้นอเจนดาในที่นี้แปลว่าไม่มีความหมายอื่นแอบแฝงอยู่คือพูดอะไรก็หมายความอย่างนั้นถูก<ช>ไหมคะเป็นคนตรงตรงเหมืนันเถิะ ก็น่าจะหมายรวมถึงเรื่องสัญชาติแห่งคนตรงใชไ่ไหมคะว่าเป็นตัวอย่างแบบนี้คือสี่ อ, อย่างเนี้มีความหมายใ น, ในคล้ายคึงกันอ๋อค่ะนั้นก็เท่ากับว่าถ้าท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเช่นนี้แล้วมาศึกษาคําสอนของพระพุทธองค์ตามคําสอนของท่านจะสามารถบรรลุ ก, การปฏิบัติถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติดได้มันยังมีอีกวักหนึ่งวักหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราพร่ำสอนอยู่แสดงทำอยู่เธอปฏิบัติอยู่อย่างที่เราสอน ใช่ไห ม, มเธอปฏิบัติอยู่างที่เราสอนนะต้องคํานี้สําคัญมากจริงจอย่างพระเจ้าสอนให้รับประทานพิจารณาแล้วจึงฉันพระเจ้าสอนให้มั่นคงในศีลมีศีลและปฏิโมกสังวรอยู่เรื่อยๆพระเจ้าสอนให้เป็นผู้ที่มีศีลสัมภชญะอยู่เรื่อยๆเธอทํำไหมค่ะอย่างนี้นะค่ะถ้าทําอยู่ปฏิบัติอยู่อย่างที่เราสอนแล้แลวคุณมีสมบัติอย่างนั้นมีคุณสมบัติอย่างนั้นเนี่ยยาวสุดไม่เกินเจปี นะคะแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆถึงว่าแสดงธรรมปุ๊บเข้าถึงปุ๊บสามารถที่จะปฏิบัติได้ทันทีซึ่งจะทำให้เห็นว่าสาวกในสมัยพุทธกาลเน่นะเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างนี้นะค่ะเอ๊ะถ้าไม่บุนคะดิฉันก็จึงอยากกลับเรียนถามในส่วนที่ว่าท่านได้นิพพานไปแล้วแล้วก็ได้ทิ้งมรดกไว้ว่าเป็นศาสดาแทนท่านนะคะก็คือคาสอนของท่าน ทีนี้มาถึงยุคนี้เนี่ยถ้าหาว่วาระยะเวลาสั้นที่สุดก็คือเข้าถึงทำปุ๊บเข้าใจปั๊บบรรลุปุ๊บโดยที่มีคําสอนเท่านั้นที่เป็นตัวแทนภาษาสาระนี่มีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะอันนี้อธิมาก็ไม่กล้าฟันธงคืออาจจะเป็นไปได้ก็ได้ถ้าสมมุติว่าอย่างสุรบานปีชาติที่เจ็ดเกิดมาอย่างเงี้ยเป็นชาติที่เจ็ดแล้วฟังทำนิดเดียวตุ้มเป็นรู้เป็นบ้านอาหารก็อาจจะมีอันนี้มีความเป็นไปได้นะอื แต่ที่แน่ๆสิ่งที่สนทนามาทั้งหมดนี่ก็คือความโอกาสของกําลังใจจะได้มาว่าอ้อเราก็เป็นผู้ที่มีโอกาสทีนี้ท่านคะที่ท่านบอกว่าการเดินทางไปเนี่ยมีความหมายมากเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยพอจะออออเล่าไหวไหมคะมพอจะเล่าให้ได้ก็คือว่าอย่างในต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในทางด้านตะวันตกความรู้ความเรียนในในเกี่ยวกับคําสอนของพระพุทธเจ้าอ่ะนะคือคถ้าเราพูดถึง เราธรรมทูตที่ออกไปเนี่ยก็ได้นำก็เรียกว่าธรรมะของบุญเจ้าไปเผยแผ่ในระดับหนึ่งอย่างในเรื่องของการให้ศีลทาบุญรักษาศีลการกินทานการให้ทานในพิธีกรรมเรต่งตางๆบ้างส่วนความรู้ความเรียนที่เป็นเรื่องราวมาจากพระไตรปิฎกเป็นพุทธวจนะอะไรจริงๆเนี่ยจะอยู่ในมหาวิทยาลัยมากกว่า เป็นสิ่งที่อยู่เก็บไว้ในมหาวิทยาลัยอย่างสมมุติในเมืองไทยเราก็จะมีมหาวิทยาลัยต่างๆก็จะมีคณะมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ที่พูดถึงเรื่องของการศึกษาศาสนาพวกนี้ก็มีอยู่ใช่ไหมซึ่งความรู้ความเรียนเหล่านั้นจะเน้นปรเด็นทางด้านปริยัติสมากเกี่ยวกัเรื่องของตัวบทเรื่องอักษรศาสตร์เรื่องของคําพูดการวิเคราะห์วิจารลักษณะนั้นแต่ในเรื่องของการนําไปใช้เนี่ยยังยังห่างไกลอยู่ในทางด้านซีตะวันตก แต่ย่างรก็ตามเขาก็มีความเจริญในระดับของเขาอะนะในขณะที่คนไทยซะอีกที่ว่าเราเป็นเมืองพุทธบางทีการนําไปใช้งานของเราก็ยังอาจจะน้อยกว่าในบางแง่อย่างเช่นว่าเราดูคดีความในศาลเนายังมีคนผิดศีลธรรมตั้งเยอะแยะเป็นต้นอย่างเงี้ยนะค่ะอย่างไรก็ตามในเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบในในซีกตะวันตกเนี่ยเขากยังไม่ได้ในระดับของเมืองไทยคืออย่างเมืองไทยเนี่ยเรามีความเป็นผู้นําในเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบ อย่างเช่นมีคนมานั่งสมาธิมีคนไปเดินจงกรมไปวัดทีละเป็นหลายๆหมื่นอย่างเงี้ยก็ยังมีซึ่งในซีกตะวตันตกก็จะไม่มีในเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบในลักษณะนี้ซึ่งการไปในครั้งนี้กับหลวงพ่อรัเตอร์สอาดเนี่ยก็คิดว่าจะจะไปนำเสนอาการปฏิบัติที่เป็นลักษณะของ Guided Meditation คือการนั่งสมาธิที่แบบอบอกสอนไปด้วยในสมาธิอย่างนี้ค่ะก็สาหรับท่านไปบูรเองคง มีความพร้อมอย่างสูงในการที่จะสอนฝรั่งมังค่าค่ะเพราะว่าปั๊มปัมเป๋อเปิดพูดไปได้ <laughs> ไม่เลยคะ่ะท <laughs> ่านฟังครั <laughs> เพราะว่าปกติแล้วท่านิบุลเนี่ย <laughs> ก็เผยแผ่ธรรมะเป็นภาษาอังกฤษทั้งในส่วนของการแสดงธรรมโดยคำพูดแล้วก็ในส่วนของการที่จะขึ้นเป็นเท็กซ์เป็นตัวอักษรให้อ่านกันในเพียวธรรม .com/ หนึ่งนย์หกนะคะค <laughs> ่ะทีนี้การเดินทางไป ไปออสโลหรือเ่าะเมืองหลวงเขาชื่อออสโลไหมคะใช่ชื่อออสโลแล้วก็ไปตามหัวเมืองต่างๆสี่เมืองก็มีไปที่เมืองสตาวกฮงกาทรอมโซทรันแฮมแล้วก็มาที่ออสโลทองหมดสี่เมืองค่ะใช้เ<ง>วลาใ ช, ใช้ใช้เวลาหมดสี่สัปดาห์สี่สัปดาห์เป็นฤดูหนาวก็ดีไปย่า่นะคะคนไม่ค่อยออกไปไหนคง <laughs> <laughs> จะเป็นอย่างนั้นอยู่ค่ะคือถ้า จำศีลเขาเรียกจำศีในกบจำสีในนี้ก็ จ, จะเห็นคนต่างประเทศเนี่ยถ้าหน้าหนาวเขาจะจำสีลอยู่ในบ้านกันนะคะจะไปเทีย่ยวอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วก็ถ้าหลังจะกลับมาแล้วจะมีประเด็นอะไรที่มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังก็จะนํามาเล่าสู่กันฟังก็คงทุกคนรอคอยนะคะอยากไปเที่ยวแบบพิเศษคะ่ะโดยมไม่ใช่เป็นเรื่องไปเที่ยวเลื่อยเปลยนะคะแต่ว่าฟังจากการไปเผยแผ่ธรรมะของท่านเพริปูลกับท่านสะอาดเนี่ยนะคะ ว่ามีประสบการณ์อะไรกับมาฝากพวกเราบ้างคอยแล้วกันค่ะอีกไม่กี่วันแล้วเพราะว่าอดิฉันเนี่ยดึงเกมไว้คือไม่กราบเรียนถามหรือว่าไม่บอกท่านผู้ฟังก่อนตั้งแต่เนิ่นๆความจริงท่านไปตั้งแต่คืนวันที่สิบเจ็ดถูกไหมคะกลุ่มชาพันธ์แล้วนี่ก็ล่วงเข้ามาจนจะกลับแล้วค่ะเนี่ยที่เอามาพูดจะได้ไม่ต้องคอยกันนานเลยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็ต้องนมสัส ก, การขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเซ่ยพา ท่านฟัง่อนที่รับค่ารายการสัสนสีสนทนานะคะก็ต้องบอกว่าเราก็ดีใจค่ะที่พุทธเจ้าจะได้มีโอกาสไปเบ่งบานในดินแดนอันไกลโพ้นนะคะเพราะถ้าเป็นเช่นนี้แล้วมันก็เหมือนกับว่าไปอย่างรากฝากใบไว้โอกาสที่มันจะงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปก็จะยิ่งดียิ่งคนนะคะเป็นคนเข้าถึงธรรมมากเท่าไหร่โลกก็จะสงบร่มเย็นมากเท่านั้นเห็นไหมคะตอนนี้เราอยู่ดีๆในประเทศของเรา ก็มีคนจากที่อื่นเข้ามาก่อการไม่ดีบ้างอะไรบ้างนะคะเห็นบอกว่าพวกฟอกเงนินก็ชอบเข้ามาบ้านเราเสียหายมากอ่าไอ้พวกวางระเบิดชอบมานี่เราไม่ชอบเลยนะคะถ้าโลกมันสงบมากคนจิตใจสงบมากเหตุการณ์แบบนี้ก็จะได้ไม่ต้องไปปรากฏที่ไหนต่อไหนรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยและเบื้องต้นมันต้องทําให้ไม่ปรากฏในใจของเราก่อนด้วยพวกเราทุกคนรายการนี้ผู้ทวจนะ เรามั่นใจนะคะว่าจะช่วยทำให้ท่านเกิดเป็นผู้ที่สงบเริ่มต้นในใจตนและเผื่อแผ่เป็นคนร่ขคาและอย่างโลกได้ขอให้ชีวิตทุกท่านพบความสวัสดีนะคะพุทธวัตสวัสดีค่ะ